ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระํารัดแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพยากรณ์อรหัตผลว่าเขาพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเธอทั้งหลายไม่ควรยินดีไม่ควรคัดค้านคากล่าวของภิกษุรูปนั้น ไม่ยินดีไม่คัดค้านแล้วพึงถามปัญหาว่าท่านผู้มีอายุโวหารสี่ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไวชอบแล้วโวหารสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งการกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟังส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 เพราะไม่ยึดมั่นในโวหารสี่ประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์ลแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรมสมควรพยากรณ์ได้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลตอาศัยไม่ได้อันกิเลตผัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในสิ่งที่ตนเห็นแล้วมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่ข้าพเจ้าไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ฟังแล้วข้าพเจ้าไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ทราบแล้วข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลตอาศัยไม่ได้ อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในสิ่งที่ตนได้รู้มีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่จิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในโวหารสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิษุรูปนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาทุ แล้วพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าหลักการตรวจสอบอุปาทานขันหประการท่านผู้มีอายุอุปาทานขันหประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วอุปาทานขันหประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปาทานขัน 2. เวทนูปาทานขัน 3. สัญญูปาทานขัน 4. สังขารูปาทานขัน 5. วิญญาณูปาทานขันท่านผู้มีอายุ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 ปรองพาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุเข้าไปจ้ารู้แจ้งรูปว่าไม่มีกำลังปราศจากความน่ารักไม่เป็นที่ตั้งแห่งความชื่นใจจึงรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้ว เพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งอุปทานขันที่ยึดมั่นในรูปและอนุัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นได้เขาพรเจ้ารู้แจ้งเวทนาเขาพระเจ้ารู้แจ้งสัญญาเขาพระเจ้ารู้แจ้งสังขารเขาพรเจ้ารู้แจ้งวิญญาณว่าไม่มีกำลังปราศจากความน่ารัก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 จึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในอุปทานขันหประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุแล้วพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่า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 ข้าพเจ้ามิได้ยึดมั่นปัทวีธาตุโดยความเป็นอัตตาและมิได้ยึดมั่นอัตตาที่อาศัยปัทวีธาตุจึงรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งอุปาทานขันที่ยึดมั่นอาศัยปัทวีธาตุและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นได้ ข้าพเจ้าไม่ได้ยึดมั่นอาโปธาตุข้าพเจ้าไม่ได้ยึดมั่นเตโชธาตุข้าพเจ้าไม่ได้ยึดมั่นวายโยธาตุข้าพเจ้าไม่ได้ยึดมั่นอากาศธาตุข้าพเจ้าม่ได้ยึดมั่นวิญญาณธาตุโดยความเป็นอัตตาและม่ได้ยึดมั่นอัตตาอันอาศัยวิญญาณธาตุจึงรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไป เพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งอุปทานขันที่ยึดมั่นอาศัยวิญญาณธาตุและอนุัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นได้ท่านผู้มีอายุจิตคงข้าพระเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุหประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าว เธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุแล้วพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าหลักการตรวจสอบอายตนะ12ประการท่านผู้มีอายุ ก็อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกประการอะไรบ้างคือ 1. จักขุตาคู่กับรูป 2. โสตหูคู่กับสัทธเสียง 3. คาณจมูกคู่กับคันทะกลิ่น 4. ชิวหาลิ้นคู่กับรส 5. กายคู่กับโพทภพะ 6. มโนใจคู่กับธรรมารมท่านผู้มีอายุอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกประการ น, นี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วก็จิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทาเสร็จแล้วป่งภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพน้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพน้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งความพอใจความกาหนัด ความยินดีความอยากความยึดมั่นอุปาทานและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นในจักขุในรูปในจักขุวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณเขาพเจ้ารู้ชัดว่าละถึงในโสตะในเสียงในโสตะวิญญาณเขาพเจ้ารู้ชัดว่าในคานะ ในกลิ่นในคานวิญญาณเขาพเจ้ารู้ชัดว่าในชิวหาในรสในชิวหาวิญญาณเขาพเจ้ารู้ชัดว่าในกายในโพธภะในกายวิญญาณเขาพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของเขาพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งความพอใจความกําหนัด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 ลการตรวจสอบเรื่องการถอนอนุใสท่านผู้มีอายุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงถอนอาหางการมามังการและมานานุใสในกายอันมีวิญญาณนี้และในสัพนิมิตภายนอกได้ด้วยดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ว่าท่านผู้มีอายุเมื่อก่อนที่ข้าพระเจ้ายังครองเรือนอยู่ยังเป็นผู้ไม่รู้พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตได้แสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้านั้นข้าพระเจ้าได้สดบธรรมนั้นแล้วจึงเกิดศรัทธาในพระตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตรหนักว่า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 สิกขาและสาชีพของภิกษุต่อมาเขาพเจ้าละทิ้งกองโภกคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาพเจ้าบวชแล้วอย่างนี้ถึงความเป็นผู้มีสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายคือ 1. ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธิและสัตราวุธ มีความละอายมีความเอนดูมุ่งประโยชน์เกือก่อนเกลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. อละเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้คือรับเอาแต่สิ่งของที่เขาให้มุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ 3. าละพฤติกรรมอันเป็นค่าศึกต่อพรหมจันทร์คือประพฤติพรหมจันทร์ เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้าน 4. ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก 5. ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้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 ชันมือเดียวไม่ชันตอนกลางคืนเว้นขาจากการชันในเวลาวิกาลสิบเว้นขาจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นค่าศึกแก่ขุสลสิบเอ็ดเว้นขาจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว 12. ง เว้นขาจากที่นอนสูงใหญ่สิบสามเว้นขาจากการรับทองและเงินสิบสี่เว้นขาจากการรับธัญญาหารดิบสิบห้าเว้นขาจากการรับเนื้อดิบสิบเว้นขาจากการรับสตรีและกุมารีสิบเจ็ดเว้นขาจากการรับทาตหญิงและ่าชายสิบแปด เว้นขาจากการรับแพะและแกะ19เว้นขาจากการรับไก่และสุกร20เว้นขาจากการรับช้างโคม้าและลา21เว้นขาจากการรับเลือกสวนไร่นาและที่ดิน22เว้นขาจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร23 เว้นขาจากการซื้อขาย 24. เว้นขาจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด 25. เว้นขาจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลง 26. ่เว้นขาจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชค ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินทบาทพออิ่มท้องจะไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดใดก็มีแต่ปีกเป็นภาระข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอริยศีละขันเช่นนี้แล้วย่อมสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในข้าพเจ้านั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงาได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโผฏพระทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้ว ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินซีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินซีถึงความสำรวมในมนินซีข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอริยะอินรียสังวรเช่นนี้แล้วย่อมเสวยสุขอันไม่รกคนด้วยกิเลสในภายใน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 ข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอริยสีละขันธ์อริยอินทรียสังวรและอริยสติสัมปชัญญะแล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคลนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางข้าพเจ้ากลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรง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 มีสติสัมปชัญญะชํระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะและอุทจักกุกุจจะเป็นผู้มีฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชํระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักุกุจจะและวิจิกิจฉาข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชํระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา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 ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวัดวาอย่างนี้ขขาพเจ้านั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวยายาัคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนิทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามิหนีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามิหนีปฏิปทาเมื่อเข้าไปแจ่รู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้มีอายุเข้าไปจ้ารู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จึงถอนอาหารการมามังการและมานานุใยในกายที่มีวิญญาณนี้และในสั พ, พนิมิตภายนอกได้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าว เธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาบของเราทั้งหลายเราทั้งหลายได้ดีแล้วที่พิจารณาเห็นท่านผู้มีอายุเช่นท่านเป็นเพื่อนพรหมจารีพระผู้มีพระภาคด้วยตรัพย์สิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แลชวิโสธนะสูตรที่สองจบสามส ป, ปุริสสูตรว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของสอัตบุรุษ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 เราจะแสดงธรรมของสัตว์ุรุษและธรรมของสัตว์ปรุ ษ, แ, ออรษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมของสัตว์ุรุษและธรรมของอสัตว์บุรุษนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ธรของอสสัตว์บุรุษเป็นอย่างไรคืออสสัต์บุรุษในโลกนี้เป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชแล้วเธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้มิได้เป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชเพราะความเป็นผู้มีตระกูลสูงนั้นอสสัต์บุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่า ธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้มีตรกูลสูงธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปถ้าแม้ภิกษุไม่ใช่เป็นผู้ออกจากตรกูลงบวชแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบ พระพฤทิตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้มีตรุษูลงนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ ประการ1อสัตว์บุรุษเป็นผู้ออกจากตระกูลใหญ่บวชและถึงเป็นผู้ออกจากตระกูลมีโพคะมากบวชเป็นผู้ออกจากตระกูลมีโพคะโอลานบวชอสัตว์บุรุษนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ออกจากตระกูลมีโพคะโอลานบวชส่วนพิษุอื่นเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผู้ออกจากตระกูลมีโพคะโอลานบวช เพราะความเป็นผู้มีโภคาโอลา น, นั้นอาสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอาสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้มีโภคาโอลานธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไป แม้ถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้ออกจากตระกูลมีโพค้าโอลานบวชแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสันเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นผู้มีโพค้าโอลา น, นั้นสัตว์บุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลาย นี้ชื่อว่าธทรรมของสัตว์บุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นผู้มีชื่อเสียงมียศย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีชื่อเสียงมียศส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงมีศัก์น้อย เพราะความเป็นผู้มีชื่อเสียงนั้นอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษส่วนสัต บ, บุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้มีชื่อเสียงธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไป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 ธรรมของสัตว์บุรุษ อ, อ, อีประการหนึ่งสัตบุรุษได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริขารย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ได้จีวรนบินทบาทเสนาสนะ และคีลานปัจใจเพสัชบริคารส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้เป็นผู้ไม่ได้จีวรบินทบาตเสนาสนะและคีลานปัจใจเพสัชบริคารเพราะการได้นั้นอสัตว์บุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสอัตว์บุรุษส่วนสัตว์บุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะการได้นั้น ธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพสัตบริหารแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็อเป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้น เพราะการได้นั้นสัตบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าทำของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเป็นผู้หูสูตร ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้หูสูรส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้หูสูรเพราะความเป็นผู้หูสูดนั้นสัตว์บุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ชื่อว่าธรรมของสอัตว์บุรุษส่วนสัตว์บุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้หูสูตธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไป ธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปแม้ถ้าภิกษุไม่เป็นพระหูสูตรแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกษุนั้นเพราะความเป็นพระหูสูตรนั้นสัตบุรุษนั้นจึงทาข้อปฏิบัติเท่านั้นไวในภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น ภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งสัตบุรุษเป็นผู้ทรงจำวินยัยย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ทรงจำวินยัยส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ทรงจำวินยัย เพราะความเป็นผู้ทรงจำวินัยนั้นอาสัตบรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี่ชื่อว่าธรรมของอาสัตบรุษส่วนสัตบรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะความเป็นผู้ทรงจำวินัยนั้นธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึงความสิ้นไปหรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไป